อันสาธุชนพุทธบริษัทต่งางยสำหรับเวลาก่อนการเจรระกรรมฐานในวันนี้ก็อยากขอนำเอาเรื่องเปรตมาคุยกับท่านหลายฟังสำหรับเรื่องเปรตนี้มีมาในพระไตรปิฎกชิวารัขณาสังยุตนิทานวัก ข้อที่หกร้อยสาิหกแลหน้าสองร้อยเก้าสิบแปดแห่งสยามรัฐที่ต้องเอาหลักฐานมาพูดให้ฟังก็เกรงว่าวันดาท่านทั้งหลายยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องเนี่ยจะมาแต่งขึ้นมาเองแต่ความจริงไม่มีประสงค์อย่างนั้น <c oughs> เรื่องที่นำาให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังนำมาสู่กันฟังก็เป็นเรื่องที่มาในพระบาลีทั้งนั้นสำหรับวันนี้เรื่องรู้สึกว่าจะยาวมากก็จะขอนำเอาพระบาลีมาอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังเร่องนี้ก็พรา้ว่าถ้าจะตัดต่ อ, อยเพียงสั้นๆเรื่องก็จะไม่สมบูรณ์ เรื่องเขาเรื่องนี้ก็มีว่าท่งกล่าวตามท่าบาลีว่ายังมีพราหมณ์ผัวเมียคู่หนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมีบ้านอยู่ในพระนครพาราณสีและมีบุตรชายสองคนมีบุตรหญิงหนึ่งคนสำหรับบุตรชายคนใหญ่นั้น ได้เป็นสหายของพระวิสุรูปหนึ่งแต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในเวลานั้นนุมบาสุกผู้นหนึ่งซึ่งเป็นคนชอบทำบุญชอบชักชวนบรรดาประชาชนหลายให้พากันถวายนิยพัดคำว่านิยพัตก็หมายความว่า การถวายอาหารเป็นนิดนั้นเอง <c oughs> ถวายเนียพแกพระสังกิจเตระสำหรับพระสังกิจเตระนี่เป็นพระอรหันต์ที่มีความสำคัญองค์หนึ่งในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะนํามาเล่าสู่กันฟังถึงประวัติของท่านได้บอกบุญได้เรืมาจนกระทั่งมาถึงบ้านของบุตรชายคนใหญ่ของพราหมณ์นั้นแล้ว ก็ะ ช, ชิชวนให้ทำบุญ <c oughs> เขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพรามจะทำบุญแก่พระสมัมมาุตรพุทธจาจินนอรรสไม่ได้พรามคนนั้นคําบอกคือพ่อเท่าบานเมื่อว่าฉันเป็นพรามจะฉันจะทำบุญแก่พระสงฆ์ในพระพุ ท, ทธศาสนาไม่ได้ถ้านอุบาสคนนั้นจะได้กล่าว ว่าเพราะว่าท่านเป็นคนฉลาดท่านกล่าวว่าหวังใจด้วยความหวังใจให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงคิดอุบายได้แล้วได้มอบสิ่งของต่างๆที่ตนบอกบุญได้รายมาให้แก่เขาแล้วกล่าวว่านี่ขอวัาท่านอภัย เห็นจะเป็นลูกชายคนโตของท่านบารท่านพราหมณ์คนหนึ่งนะที่เราพูดกันนี่ไม่ใช่ตัวพราม์เองท่านทําบุญแก่พระสมณะจะได้กําไรอะไรแม้ว่านั้นถ้าบอกว่าท่านทําบุญแก่พระสมณะมิได้กําไรมิได้อะไรเป็นเป็นกําไร แต่ข้ายเจ้าเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีหลักฐานจึงจะขอวานท่านช่วยเป็นตัวแทนของข้ายเจ้าคือขอท่านจงจัดแจงกระทำสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาหารและก็มอบแก่บรรดาพระบิสุสูงอันมีพระสังฆิจ่าเทระสหายของท่านเป็นประธานนั้น แ่งข้าพเจ้าดีเถิดข้าพเจ้าไว้วางใจท่านอย่างยิ่งคนหนึ่งนี่เป็นอันว่าคนสองคนพูดกันระหว่างคนที่เลื่อมใสมาก่อนกับคนที่ยังไม่มีความเลื่อมใสให้กล่าวต่อไปว่าธามานบนอกพระศาสนาคนนั้นแต่ทว่ามีอัจฉริยสัยดี กันได้ฟังคำของบาสุกนั่นก็มีความยินดีรับสิ่งของที่บาสุกให้มาให้คนในบ้านช่วยจัดแจงปรุงอาหารกันถึงเวลาบินลำบัดก็ได้ได้ไทางเป็นนิยพักแก่มันดาพระสง์เสมอมาทุกวันเมื่อมานบคนนั้นทำดังนี้ไม่ช้าไม่นานนัก น้องชายและหญิงของเขาน้องชายและน้องหญิงของเขาไม่เห็นอาจารย์ของท่านพระวิสุทธิ์ทั้งหลายไม่ใช่อาจารย์นะไม่เห็นอาจาระคำว่าอาจาระนี่แปลว่าความประพฤติเขามันดาวิสุทธ์นั้นหลายก็ค่อยมีใจเรื่มใสไปด้วยกับพี่ชาย แล้วเมื่อได้สัระธรรมเทศนาที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายสแสดงที่นอนทั้งสามก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาก็กลายเป็นคนมีศรัทธาเต็มอกเต็มใจช่วยจัดแจงอาหารถวายแก่บรรดาพิสงร่วมกับชาวบ้าน <c oughs> นิ่งกล่าวไปว่าท่านบุญนี้กลับทําบุญยิ่งกว่าชาว บ, บ้านที่เคยทําบุญมาแล้วเพราะความศรัทธาแท้บางคราวเมื่อขาด ส, สิ่งใดขาดสิ่งใดเหลือหมายความว่าขาดก็ช่วยกยระแสน้ำหามาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ <c oughs> คนดีเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทา ย, ยกเป็นคนฉลาดทิงเขาไม่เรื่อมใสก็เลยวานให้ทํา เมื่อบัรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งสามคนเป็นบทที่รักของตนทีนี้ว่าถึงพ่อนะว่ <c oughs> านึงพ่อ <c oughs> ที่ไม่เรือมใสในพระพุทธศาสนาอ่านตามาลีนี่ยุ่งจังเลยเมื่อเห็นพี่น้องทั้งสองอ๋อ แต่สองคนที่เป็นบุตรรักของตนประพฤตินอกีตนอกรอยเช่นนั้นท่านพรามผู้เป็นพ่อท่านพรามนะพรามและพรามผู้เป็นท่านรมณีผู้เท่าหมายความพรามที่พ่อเป็นพ่อก็พรามที่เป็นแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาซึ่งถือเคร่งครัดในศาสนาพรามของตน ก็รู้สึกเจ็บใจในบรรดาลูกชายลูกสาวแม้จะพยายามเฝ้าบนบ่าชักชวนให้เลิกการถวายทานอย่างไรบรรดาลูกๆท่านหลายก็ไม่เชื่อไม่ฟังในที่สุดก็เลยผ่านพอลูกเกลียดชังบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเอาคนแล้วเอาคนแล้วเพราะนันว่าท่านเกลียดชังพระสงฆ์ อันเปรียบประดุจหนึ่งว่าน้ำแทงตาของท่านที่มารับเป็นาบาัตที่บ้านของตนทุกวันทุกวันอดใจไม่ได้ก็เลยตาสองตายายก็เลยด่าพระสงฆ์ให้หน้ำใจ<ม>เอาละสิพระคุณเอ้ยว่ายกันไปสำนวนวันนี้มันจะไม่สล่าสนวยหน่อยก็ต้องขออภัยเพระเรื่องนี้ยาว จะตัดพมบาลีมาเล่ากันสั้นๆก็เกรงว่าจะเนื้ความจะไม่ดีต่อกัน่ต่กล่าวว่าในการต่อมาบุตรของน้องชายของน้องชายพรามเท่าที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นได้ฟังธรรมในสานักก็สัมผาสของพระสังกิจจาเทระก็เกิดความเลื่อมใส และเบื่อหน่อยในครวาตวิสัยจึงขอบรรใบชาเป็นสมณในในพระพุทธศาสนาอยู่ในําสนากของพระมหาเทระก็รุ่งขึ้นเชา้าก็เข้าไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านหลวงผู้เป็นมิชาทิฏฐิทุก ท, ทุกวันในวันชาก็กระสังใครยศิกจึงเข้าไปหาผู้ใบชาะ แล้วกล่าบเรียนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญครับบัดนี้กระผมมีความประทัตาธนาจะสึิจากสมณเณรขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอนุญาตให้กับผมได้เถิดพระเถระพิจารณาดูก็ทราบว่าสมณเณรนั้นมีอุปนิสัยเป็นพระรหันจึงได้กล่าวว่า ฉนันนอนุญาตให้เธอศึกไม่ได้เอคาคนแล้วนี่พระอาจารย์พระอุปชาไม่ยอมให้สมณเณรศึกสมณเณรนั้นเมื่อได้รับไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกก็จําใจต้องทนบวทอยู่ต่อไปด้วยความเกรงกลัวและความเคารพในพระอุปชาครั้นทนต่อมาได้ถึงสิบห้าวันก็กระสังข้าใหญ่ลาสิกขาบทอีก จึงเข้าไปกล่าบลาผู้ประชาแต่ก็ถูกผู้บรรดากล่าวห้ามพรามอีกไม่ครั้งแรกจรึงจำใจต้องทนอยู่ในสมณเพศคือเป็นสมณเณรต่อไปอยู่มาได้ไม่ชา้าความที่อยากจะลาสิกขาก็เกิดขึ้นรบกวนใจอีกจึงตัดสินใจเข้าไปกล่าบลาผู้ประชายืนยันยังเด็ดขาดว่าตนจะต้องศึกอย่างแน่แน่ พระสังกิจเเถระผู้เป็นพระบูชาจึงบอกว่าให้รออปเจ็ดวันจึงจะได้เริกสิกเวลานี้เริกสิกมันยังไม่มีสมวเมรนั้นเห็นว่าเวลาไม่นานก็รับคำด้วยดีปรากฏว่าในราตรีนั้นได้เกิดมหาวาตภัยลมพยุใหญ่ภกระั น, น่ำยางหนัก บ้านเรือนของบรรดาประชาชนแถบนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบ้านของพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นลุงของสมัญเนินนับว่าเขาร้ายกว่าบ้านอื่นในที่ดาพระบ้านทินดาพระบ้านหินดาเนินด้ว่าลูกมีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศรัทธา เห็นพระเนงเข้าไปบินบาศมีภิกษภาพเมันก็น้ำเสียดแทงใจด่าพระด่าเนนเวลาพายุใหญ่มามันก็พัดทำบ้านบ้านพังกระเจยดกระเจมไปยิ่งกว่าใครทั้งหมดและก็ในคืนวันนั้นฝนมันก็ตกหนักพระตเรียนหักพักทําลายคนทั้งหลายซึ่งกาลังหลับอยู่ในเรือนนั้นก็ถูกบ้านหักทับตายดีกันหมดทั้งสิ้น เป็นอันว่าทั้งคนเรื่มใสในพุทธศาสนาและไม่เรื่มใสต่างก็ตายด้วยกันเรองนี้อย่าโทษใครแหละว่ากันต่อไปคืนพูดไม่จบเรื่องนี้ยาวมากท่านทีที่ขาดใจตายคนทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปเกิดไปเกิดใหม่ตามยถากรรมคำว่ายถากรรมแปลว่าตามผลของกรรม กรรมทำไวอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นแต่งกล่าวว่าบุตรชายคนใหญ่และคนเล็กร้อมทำน้องสาวสุดทองซึ่งมีจิตใจเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ถวายทานเป็นประจำก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวดาอ๋อเอาแล้วภูมิเทวดาก็ยังดี สำหรับมานพีชายใหญ่นั้นมีกุณชรคือช่างชาติเป็นพาปัญยานพาหนะช่างทิพนะไม่ใช่ช่างช่างธรรมดาสำหรับปุกชายที่เป็นคนน้องชายเป็นทวรนดามีรถเทียมบริสินทบคือรถเทียมมาเป็นพาหนะสำหรับสาวน้อยยอดนารีลูดสาวคนเล็ก มีวัวทองเป็นภานะทำไมได้ไม่เหมือนกันเนาะส่วนมีดามันดาผู้เป็นมิชาทิฏฐิด้วยอานาจแห่งอกุสนิกรรมที่ดาว่าบรรดาวิสุสง์ผู้ทรงศีลได้เกิดเป็นเปรตตั้งสองคนนม่แยกกันไปเกิดนับวันต่ได้เกิดเป็นเปรตแล้วตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไร ได้แต่ถือค้อนเหล็กอันใหญ่ไล่ตีประหัตประหารซึ่งกันและกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันว่ากันตลอดวันร่างกายก็ถูกค้อนทุบตีนั้นก็พองขึ้นมาเท่ากับออมคือพองโตเป็นลูกใหญ่ครู่หนึ่งก็แตกออกมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้าหนองไปเปลียนตั้งสองต่างก็ดื่มกินเสี้ยนน้าเลือดน้ำเหลืองน้าหนองนั้น ที่ไหลมาออเป็นอาหารแล้วก็เริ่มประหัตประหารทุบตีกันใหม่ต่อไปเพื่อน้าเลือดทําห น, นองแบบนั้นมันจะหมดจะไม่มีที่จะกินทำเหมือนกับเปรดบ้าทำไปอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้แต่เวลาจะหาเวลาพักผ่อนก็มีได้รุ่งเชา้าสมณี น, นผู้กสัตริยศึกได้เข้าไปในบ้านเพื่อบินบ็นด âm บัด เห็นบ้านขลุงหกงักพังแล้ก็ทราบว่าลุงขูงตนตายเสร็จแล้ววันนั้นก็มีความเสียใจกับปวีหารเข้าไปกราบเรียนแก่พระอุปชาว่ะจนอุปชายะว่าจะขอลาไปบ้านตนซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งพอครบเจ็ดวันแล้วจะกลับมาสึกอุปชายาก็ห้ามว่า <c oughs> ดูก่อนพระสมณเณร วันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำอย่าเดินทางเลยเราจะพาไปเที่ยวป่าด้วยกันว่าแต่นั้นแล้วก็พาสมณนีนั้นเดินลัดเลาะออกจากหลังวิหารเ <c oughs> ข้าไปยัง ป, ป่ายิปตนะมรุกขายวันสมัยนั้นภุมเทวดาสามองค์พี่น้องภุมเทวดานี่แปลว่าเทวดาที่อยู่ในภาค พ, พื้นดิน ซึ่งได้เกิดขึ้นมาเป็นเทวันดาใหม่ๆจะไปชมเทวสนีบาตจึงผ่านมาโดยมคานั้นโอ้ฟังตามารีเหนื่อยจังเป็นวงความว่าเทวันดาแค่จะไปไปชุมกันที่เทวสภาเทวสภาสําหรับภูมิเทวันดาไม่ชีชั้นดาวดึงเดินผ่านมาตามทางนั้นเรดผู้เป็นมิดามันดาของเทวันดาทั้งสาม เึีงบัดนี้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดมีมือถือค้อนใหญ่มีผมยาวมีกายดำน่าเกลียดน่ากลัวทั่วทั้งร่างเปื่อยเน่ามีน้ำเหลืองมีเลือดไหลเยิ้มน่าขยะขยะงการเห็นบทยินด้ของตนผ่านมาก็จำได้ยิง่งเล่นไล่ติดตามไปข้องหนหลังพระเทระเห็นเนโอกาชินนั้น จึงได้สแสดงด้วยฤทธิ์แห่งพระอริยเจ้าบรรดาในสมณี น, น, นั้นเกิดตาสาว่างเห็นเปรตกัตวดาทั้งหลายเหล่านั้นในด้านหน้าตาปิญญาสมาบัติออเออก็ยากนะเพราะมิฤก็แสดงยากนี่าท่นา น, นยังกล่าวว่าดูก่อนสมณีเออเห็นเปรตกัตวดาทั้งหลายเหล่านั้นไหม สมเนงก็ตอบว่าเห็นขอรับเพราะคุณยกค่ะาข้าเจ้ า, า, า, าจบัญชายาจิเนบอกว่าเธอจงถามบุคคลกรรมคือกุศลและกุศลของเขาทั้งสองเขาทั้งหลายเหล่านั้นที่ทําไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์บ้างเป็นไรสมเนงก็บวดีขอรับสมนเนงรับคําบัญชาแล้วจิเนเรียกให้เปรตติวรดาหยุดก่อน แลาเย็ยนถามว่าท่านผู้หนึ่งขี่ช้าเผือกไปข้างหน้าอีกท่านหนึ่งขี่รถเทียมบริ ม, มาตรผ่านไปตรงกลางสำหรับสาวน้อยเทพนารีนั่งวอทองไปข้างหลังเปล่งนัสมีสว่างสวัยทั่วไปทุกส่วนท่านนั่งหลมีมือ และก็ทั้งสองท่านนั่งหลายข้างหลังมีมือถือคอนเดินร้องไห้หน้าชุ่มไปได้วยน้ำตามีตัวเป็นแผลแตกพังท่านเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปกรรมอะไรไว้ท่านแดงสองดื่มโลหิตแล้วก็เลือดซึ่งกันแลกันเพราะกรรมอะไรเพื่อแตงสองได้ฟังสมณเณนหลานถามดังนั้นจึงได้มีวาจาตอบว่า ผู้ดีขี่ช้างเผือกคือกุอชอนชรไปกันหนาเป็นบุตรชายคนโตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าทั้งสองเมื่อไปนมนุษย์เขาได้ดาวายทานแก่ประสงค์จึงได้รับความสุขความบันเทิงใจผู้ใดได้ขี่รถเทียมบริมาณสินทบสี่ตัวแล่นเรียบไปถ้ำกลางผู้นั้นเป็นบุตรชายคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสอง เมื่อเขาเป็นมนุษย์เป็นคนที่ไม่มีความดนันนิมีทาน้ำมดีคือชอบบำเพ็ญทานกองการกุศล <c oughs> จึงได้รับการบันเทิงใจเมื่อตายไปแล้วสำหรับส่วนเทพนันดีนารีผู้มีปัญญาดวงตากตรุงงามรู้เรืองดวงตาเนื้อ ซึ่งคีวนั่งวอทองไปเบื้องหลังเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของข้าพเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิกบานใจเพื่อส่วนกุศลทานที่เธอจะไหวกึงหนึ่งในแก่พระสงค์ในพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนเขาดังสามมีจิตเรื่อมใสได้ให้ทานแก่พระสงค์ทั้งหลายแล้วส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนตนี ไม่มีจิตศรัทธาเรื่มใสใได้บริภาษดาว่าบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเอาไว้เฉะนั้นบุพกรรมแห่งเราทั้งหลายจึงไม่เหมือนกันโดยดีเขาทั้งสามผู้เคยเป็นที่ไดแห่งเรานั้นเป็นบุรที่ไดแห่งเรานั้นได้ถวายทานจะได้รับการบำรุงบำรเลอด้วยกรมกคุณอันเป็นทิพย์สว่วนเขาไปเจ้าทั้งสองไม่ได้ให้ทาน ก็ไม่เป็นไรท่านก็ไปให้แถมดาวว่าพระสมณชีพราหมูทรงศีลจึงได้รับความทุกข์เกิดเป็นเปรตอดอยากมีผิวพันธุ์หม่นหมองสุบสีดุด จ, จะไม้ออที่ถูกไฟไหม้น่าจะไม่จบกันแล้วที่มันเรื่องพันยาวจริงๆเนาะเ <c oughs> ซะมันแงยินถามต่อไปว่าก็ อ, อะไรเป็นอาหารของท่าน อะไรเป็นที่นอนของท่านแต่ท่านผู้มีบาปอย่างยิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเหตุเช่นไหนเมื่อท่านเป็นมนุษย์จริงได้ไม่ประกอบกรรมที่เป็นกุศลไว้มันดาเปรตสองนั้นยืนตอบว่าดูก่อนบรสิสุมาเนนเราต้องสองทุกตีสิ่งกันอะกันแล้วกินนลองกินเลือดสิ่งกันอะรกันเป็นอาหารไม่อดไม่อยากบริบูรณ์ดี <c oughs> ได้ดื่ ม, มนองแล้วดื่มเลือดเกือบซึ่งกัละการกินเตวติก็ยังไม่หายอยากมีความหิวอยู่ไปนิดสตัตว์จังหลายไม่ได้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเสียใจร่ำไรอยู่เหมือนกับขบวิเจ้าทั้งสองนี้เหมือนกันทั้งหมดได้กล่าวว่าสัตว์เหล่าใไดได้ประสบผู้กสมบัติต่างๆแล้วใช้สอยเองบ้างทั้งไม่ได้ประกอบกัน ไม่ได้ประกอบการบุญสัตว์เหล่านั้นจะต้องได้รับความหิวโหยในโลกหนา้านะแล้วก็ย่อมจักต้องถูกความหิวแผดเผาไม่อยู่สิ่งการนานแล้วเมื่อทำกรรมทั้งหลายอันมีผลเผ็ดร้อนและมีทุกเป็นกำไรแล้วย่อมเสวยทุกเวทนานใสจำนวนบารีนะฟังท่านยากฟังแล้วก็คิดตาม เรื่องนี้ไม่กลา้าเอามาเล่าย่อๆเพราะเรื่องยาวท่้กล่าวแต่ว่าก็าาบันดิตั้งหลายผู้รู้ทรัพย์และเข้าเปลือกอย่างเป็นอย่างหนึ่งรู้ชีวิตของสัตว์ตั้งหลายในมนุษย์โลกเป็นอย่างหนึ่งรู้ทรัพย์เข้าเปลือกชีวิตและมนุษย์อีกอย่างหนึ่งนอกจากสิ่งนี้แล้วก็พึงทาที่พึ่งของตน ชนเหล่าใดเป็นผู้เจหลาดในธรรมฟังคําสอนของพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วมารู้ชัดอย่างนี้ช น, mm. นเหล่านั้นย่อมไม่ประมาทในทานขั้นให้การขั้นให้การอย่างกระทุ่งกระแท่นแก่สมณเณรผู้เป็นหลานอย่างนี้แล้วบุคคลเพเปรตผู้เป็นไม่ชา้าที่ติทั้งสอนก็บอกลาไปตามยถากรรม ฟายสมันเรนฟังแล้วก็คิดความสังเวชสล ด, ดใจบรรเทาเส้อซึ่งความกระสันไขยาสิกจึงอภิวาทพระวิชายะว่าแต่ข้าแต่พระคุณผู้เจริญขอพระเดชพระคุณยมเป็นที่พึ่งอาศัยโจงให้ความนุเคราะห์แก่กระผมไม่ต้องการด้วยการเควาดวิสัยกระผมยินดีในการประพุทธพมจันท์ต่อไป พระเถระเจ้าองาค์กรหั่นขณะได้ฟังดงนั้นก็พาสมณีนนกลับไปยมีหานบอกพระกรรมฐานที่ควรกติยาไสายจ็บบุตระกบุญวาสนาบารมีสมณีนนก็ได้อุตสาหะเจริญมิปเสนนาบำเพ็ญกรรมฐานอันพระเถระบอกให้ไม่ช้านานก็ได้สำเร็จอรณาตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นนำ้วาเรื่องนี้รีบจำเสิอเกือบตายเกรงว่าเวลาจะไม่พอเป็นนั้นว่าได้ความว่าสมณเณรใครยะสิกก็ไปพบเอาเปลดกับเทวดาเข้าตามเรื่องราวที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วปรมศาศริษดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับประสงค์ ท่า น, นขอมนตราท่านพุทธบริสทัทท่นหลายผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาตั้งอยู่ในความดีคือพากันเจริญส ม, มถกรมมฐานมีปรสนากรมมฐานดโดยย่อคนจำปฏิบัติธาของเป ร, ปรกเจวดาวไว้ถ้าบุคคลใดที่ไม่ฐานเปรก็บอกว่าจะมีแต่คว า, ม, วามหิวโหย แต่ว่าท่านนั้นหลายทั้งสองนี้ที่ต้องมานั่งทุกนั่งตีสิ่งกันอะกันก็พราะว่าท่านทั้งสองนี้นั้นนอกจากจะไม่ทันแล้วก็ด่าว่าพระพิสุสง์ในพระพุทธศาสนา <c oughs> ตั้งเคยทราบกันมาแล้วไปมองดูเวลามันก็หมดเสแล้ววันนี้ก็ขอต้องลาไก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ลผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านจ้ะงทุกกระการวัสดี